กับตอนธรรมะสวัสดีโดยนกนกด้วยความที่พี่สาว อะไรอะไรมันก็ง่ายซะเหลือเกินและก็คงเป็นเพราะอย่าง มาม่ามีกรรมจากจิตใจที่เป็นอกุศลจะต้องเร่งทําเลยอยากชวนแม่ไปปฏิบัติด้วยคิดๆอยู่ว่าแม่จะไป ไปไหนไปด้วยอยู่แล้วมันประจวนมี 1 ไปไปวันก่อนถึงเย็นแต่วันพฤหัสที่ผ่าน แล้วนกก็เลยส่งผลให้เอาของที่ไม่ได้ย่อยเยอะไปและเคี้ยวไม่ละเอียดก็เลยส่งผลให้เอาของที่ พเร่งให้ส่งสินค้ากันเยอะมากๆทั้งนกและแม่รับโทรศัพท์กันตลอดส่วนพ่อก็ต้อง เรียกเรียกแท็กซี่ตรงถนนเยาวราชแต่ก็เหมือนเจอบททดสอบเร 4 คันไม่มีคันไหนยอมไปจนมาถึงคันที่ 5 เรา ตอนคลีเมล่ากับแม่ทีมาประมาณ 5:00 น. นขนบุญ 50 เมตรทางเดินสองข้างทางเป็น ในห้องน้ําก็เป็นแบบโถนั่งทั้งหมดก็เลยโชคดีสําหรับแม่ในการเข้าห้องน้ํามานี้แล้วแม่ก็ เธอนั่งหลับพี่สาวคนโตบอกว่าพี่แม่หลับเพราะว่า กลางกลางคืนกลับกลายเป็นก็เลยตื่นขึ้นมาปัญหาที่แม่นั่งนวดเท้าอยู่อยากกลับบ้านเพราะว่า พระพลรู้สึกเข้าไปอีกตอนนี้ก็เลยคอยคิดว่านี่นกพาแม่ ที่พี่สาวมารักจะได้ให้เอาหมอนมาให้ แม่ก็อ่านออกบ้างนั่งหลับบ้างไปสวดมนต์ทำวัดเช้าอ่านออกบ้างนั่งหลับบ้างแล้วก็ไปออกกำลังกายทำๆขอบอกว่าแม่ก้มเลยที่ ก็ทําเต็มที่ลูกเลยคิดว่าถ้าๆว่าอยากออกไปบังคับเมื่อไหร่แม่คร 2 ครั้งที่มี เพื่อไปทําโยคะบนสนามหญ้าเราเองก็รู้สึกแล้วมันชุ่มชื้นอุ่นว่าต่างคนต่างปาก เหลือมันไม่ดีเหลือมันไม่ดีระหว่างนั่งกินข้าวก็มองตัวน้อกว่ามัน แล้วเราก็เลยหากระเทียมมาให้แม่เคียวว่าถ้ารู้ว่ารังไม่ถูกกับอะไรก็อย่าไป แม่หลับไปนั่งฟังไปหลับไปขำไปอันไหนไม่เข้าใจก็ถามเช่นว่าอัญชลีแปลว่าอะไรนกก็บอกว่าเป็นการไหว้ น่าจะได้นั่งทิ้งได้ง่ายและหลับได้ง่ายด้วยแม่ เดี๋ยวเราจะไปห้องน้ําก่อนแม่ตักให้ที่แม่จะ ก็เลยบอกว่างั้นนกกินผักละกันแล้วแม่จะ ช่วงบ่ายท่านแม่ชีให้พวกเรานอนสมาธิแรกๆก็นอนแบบทิ้งนอนทิ้ง <c oughs> เพราะว่าพื้นทางเดินไปห้องน้ําไปหินแม่น้ําและทางลาด นั่งทำวัดเย็นและหลับบ้างและถามว่าอย่างดูรูปเพื่อน แม่รู้หรือเปล่าว่าการที่แม่ๆเรื่องพยาบาทแล้วแม่ แม่ก็จะเป็นสุขก็จะเป็นสุขหน้าตาไม่ผุดบึ้งตอน ไปทําเรื่องขอตัวมารักษาที่เมืองไทยแล้วชีสรรณีเป็นครั้งสุดท้ายท่านแม่ชีไปพบ family และลูกก็แม่ดูจบก็บอกว่าดูแลอยู่เพราะแบบว่าเกิดปิติแต่ ก็อย่างน้อยแม่ก็คิดขึ้นมาด้วยตัวของแม่เองวัน แม่ทีหลับแม่บอกว่าเลยนอนกลมด้วยสนุกก็หลับเหมือนกันแม่บอกว่า 2 วัน ที่เติมเติม ing น่ะหรอนั่นมามาเล่นด้วยเราใช่มันคงต้องใช้เวลาเพื่อ 16 แล้วความถือตัวว่าตัวเองดีเรื่อง เดินคุยว่าคุยว่าแม่ก็อยากให้ลูกๆเป็นอย่างที่แม่ใช่หรือเปล่าแม่บอกว่าใช่นกก็ยกตัวอย่างตัวนกว่าแม่ให้ ตอนที่แม่กินข้าวท้องของแม่บอกหรือเปล่าว่าจะกิน 3 จาอิ่มหรือกิน 1 ชามแล้วอิ่มท้องของแม่ยังไม่เที่ยงเลยจะอิ่มแค่ไปว่า ว่าแม่จะฟังสุนทิท่านแม่ทีสอนหรือที่ไม่ใช่เราไปบังคับให้มาเล่าให้ เพราะฉันได้ทําในสิ่งที่อยากทําคือไปปฏิบัติธรรมนกรู้ แม้ว่าแต่ขอบอกว่าห่วงว่านกเนี่ยเด็กๆไปเลยสบายตัวหรือเปล่า และขอบคุณพี่สาวคนที่ 2 ที่แนะ 70 คอลัมน์สัพเพเหระธรรมตอน